ให้ชัดๆว่าให้ทำอารมณ์และความคิดทั้งหมดให้มันย่อเหลือสั้นที่สุดที่หลวงพ่อเทียนท่านกล่าวในประโยคสุดท้ายว่าให้รู้จากวัตถุประมาตอาการอือหมอายควทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะย่อเหลือแค่าสามแต่ตรงนี้ถ้าเราฟังไม่เข้าใจก็จะลาบากวัตถุประมาตอาการนี่ไม่ยควาว่าเป็นเหมือนเหลือสามปิดกจริง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 ตรงนี้ดีนะเมื่อเราไม่ทานาการของนิจังทุกขังธนั้นดาวัตถุตัวนั้นก็เป็นสมมุติคือหมายความว่ามีวัตถุตัวน้นกลายเป็นอารมณ์เรียกว่าวัตถุอารมณ์แต่ถ้าเรามีสติรู้เท่าทันอาการของการเปลีป่ยนแปลงอนิจังทุกข์ขนธ์ตาทุกริยะไปนั้นวัตถุตัวนั้นก็กลายเป็นปรามัดเนี่ย ดนในจุดปฏิบ nah ัติของเราก็คือให้รู้เท่าทันตัวสมุทัยคือรู้เท่าทันเหตุเกิดทุกข์ออนิจจังทุกขังนราธาเป็นเหตุเกิดทุกข์นะในฝ่ายที่เป็นรูปและอนิจจังทุกขังนราตาเนี่ยเหตุเกิดทุกข์ในฝ่ายที่เป็นรูปในฝ่ายที่เป็นนามก็คือตัวตันหานะก็เลยนามมารูปรูปนามก็เป็นอนิจจังทุกขังนราตา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 โลกกระทำนั้นแสดงว่าจิตของเรายัางอบลมมุ่มยังไม่ดีอก็อยังหวั่นไหวต่อสิ่งที่มากระทบนะเพราะฉะนั้นที่เราปฏิบัติมาเพื่อช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นให้ได้ดีที่สุดและให้ได้มากที่สุดช่วยไปทําไมก็เพราะว่าเราีเป็นหนี้โลกอยูนะ่เราอยู่มาได้วันนี้เพราะเราได้รับการช่วยเหลือมาจากผู้อื่นจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จ า, จากอ